เมื่อพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อนาวารณญยานทรงสละละทิ้งสังขารอันประกอบขึ้นเหมือนสัมภาระที่ใช้สอยเช่นเกวียนเป็นต้นเข้าสู่มหาปรินิพานอันบรมสุขกเกษมสารจากความทรมานทั้งปวงแล้วพระอานนท์พุทธอนุชาซึ่งบัดนี้เป็นเสมือนองค์แทน แห่งพระตถาคตเจ้าก็จะริกไปในที่ต่างๆโดยโดยโดเดี่ยวเดียวดายจากแคว้นสู่แคว้นจากราชธานีสู่ราชธานีและบทจรสู่คามนิคมชนบทต่างๆเพื่อสแสวงหาความวิเวกบ้างเพื่อโปรดให้ประชานิกรดารงในคุณธรรมสัมมาปฏิบัติเป็นเวลา40สปีหลังพุทธปรินิพาน สมัยหนึ่งพระพุทธอนุชาออกจากสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกสลมุ่งหน้าลงสู่ทิศใต้ถึงลำน้ำยมุนาเดินเรียบลำน้ำนีำน้ลงตอนใต้อันเป็นที่ตั้งแห่งโกสัมพีราชธานีแห่งแคว้นวังสะอันว่านครโกสัมพีนี้รุ่งเรืองด้วยศิลปวิทยาการมากหลายนอกจากนี้ ยังเป็นย่านกลางแห่งการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างโกศลมคตและเมืองผ่านต่างๆทางใต้และทางตะวันออกอีกด้วยลำน้ามยมุนาอันสวยงามตราการยิ่งนักนั้นก็ไหลามาจากแดนอันขจรนามแต่การไกลสมัยมหาภาระตยุทธ์นั่นคือหัสดินปุระนครซึ่งปรักหักพังแล้ว และท่วมทนทุ่งกุรุซึ่งปานทบและเการบได้ทําสงครามเพื่อชิงชัยความเป็นใหญ่กันความงามของนครโกสัมพีย่อมติดตาเตือนใจของอคันตุกะผู้มาเยือนไปตลอดชีวิตจากฝั่งยมุนาจะเห็นกําแพงปราการบ้านเรือนสลับสล่างดูชั้นเป็นลด หลั่นยอดจากปราสาแทแห่งอุเทนราชนั้นเมื่อต้องแสงสุริยายามจะอสดงก็ส่องแสงเหมือนมี อ, อาทิตย์อยู่หลายดวงการสัญจรทางเรือคับขั่งมีเรือน้อยใหญ่ประดับธงทิวสีต่างๆดูงดงาม เมื่อพระอานนท์มาถึงใกล้นครโกสัมพีนั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้วทุ่งสาลีเกษตรยามต้องแสงอาทิตย์ในสายันหกาลมองดูพระหนึ่งปูลาดด้วยแผ่นทองพระภายรำเพยเพียงแผ่วเบาต้องกายพระมหาเถระกอให้เกิดความชุ่มเย็นเชกมานดารูปคลำบุตรสุทธิรัก ด้วยใจถนอมณนะเบื้องบนก้อนเมฆสลับซับซ้อนเป็นทิวแถวลอยละเลิ้วตามแรงลมมองดูเป็นสีม่วงสลับฟ้าตราการตายิ่งนักพระผู้เป็นพหูสูตรหาได้มุ่งเข้าสู่เขตนครโกรสัมผีไม่ท่านต้องการสแสวงหาที่สงัดและณที่นั้นแห่งใดเล่าจะสงัดเท่าป่าปลาดูายเพราะฉะนั้น พระมหาเถระจึงได้เยื้องย่างด้วยลักษณะอันน่าทัศนาเข้าสู่ป่านั้นด้วยหัทถ a ท, ที่แช่มชื่นเบิกบานเมื่อพระอาทิตย์อัสดงแล้วไม่นานดวงจันทร์แจ่มจรัดก็โผล่ขึ้นเหนือทิวไม้ด้านตะวันออกป่าประดู่ลายเงียบสงัดวังเวงเหมาะสำหรับผู้สแสวงหาวิเวกอย่างแท้จริง เนื่องจากมีภิกษุแวะเวียนมาพักอยู่เสมอป่านี้จึงมีเสนาสนะน้อยๆอยู่หลายหลังสำหรับพักอาศัยหลังหนึ่งเพียงผู้เดียวพระเถระเลือกได้กระท่อมหลังหนึ่งเมื่อปูราชมิสีธนะลงแล้วก็นั่งขันสมาธิหลับตาอยู่ตลอดปฐมยามแห่งราตรีและพักผ่อนเมื่อกึงมัชชมยามล่วงไปแล้ว จุส ก, การแสงสีขาวทางทิศ ต, ตะวันออกเริ่มท้าบขอบฟ้าจากทิศเหนือตลอดไปทางทิศใต้รมรุ่งอรุณพัดเฉยฉิวเสียงกาซึ่งเพิ่งออกจากกรงรังเพื่อแสวงพักษาหารบินผ่านป่าประดู่ลายพร้อมเสียงร้องกากาบริเวณป่าประดู่ลายยังคงเงียบสงัด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 ท้องฟ้าสางแล้วแสงสว่างาสาดไปทั่วบริเวณไพรโนนมน้อมมนัสแห่งพระอานุนให้แจ่มใสเบิกบานท่านเตรียมนุ่งอันตรวาสกและของอุตรอุตราสงเป็นปริมุนทนเรียบร้อย ถือบาทเข้าสู่นครโกสัมพีเพื่อบินธบาตมีผู้คอยดักถวายอาหารแก่มุนีอยู่เป็นแห่งๆสมณะสากยบุตรเป็นที่คุ้นเคยของประชาชนชาวโกสัมพีแล้วตั้งแต่ครั้งที่พระตถาคตเจ้าสเสด็จเข้าสู่นครโกสัมพีเป็นครั้งแรกเมื่อพระอานนท์ได้อาหารพอสมควรแล้วท่านก็เดินดุ่มมุ่งเข้าสู่ป่าประดู่ลาย ตามเดิมชั้นอาหารตามที่ประชาชนศรัทธาถวายด้วยอาการแห่งสามีบริโภคอันเป็นแบบอย่างแห่งพระอระหันต์ทั้งหลายเสร็จแล้วท่านก็ยับยั้งอยู่ณที่นั้นด้วยวิหารธรรมอันประเสริฐจนกระทั่งวัฒนะฉายาการพระอาทิตย์โคจรผ่านกึ่งกลางฟ้าไปแล้ว เงาไม้ประดูลาลที่อยู่โดดเดี่ยวทอดยาวไปทิศ ต, ตะวันออกบรรยากาศรื่นรมสงบเหมาะแก่อนาคาริกมุนีภิกษุรูปหนึ่งร่างกายสูงใหญ่มีสง่าเดินเข้ามาสู่ป่าอันเงียบสงบนี้เมื่อท่านผ่านมาทางพระอ น, นุ์นั่งอยู่เห็นเป็นสมณะแบบเดียวกัน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 ท่านผู้บำเพ็ญตะบะพระอานุ์ตอบข้าพเจ้าทราบจากครึ่งนุ่งห่มและบริขารอื่นๆที่ติดตัวท่านมาว่าท่านเป็นสมณะแบบเดียวกับข้าพเจ้าสมณะแบบเหลานี้มีพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาด้วยกันก็พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นตรัสไว้มิใช่หรือว่าความวิเวกเป็นสหายอันประเสริฐ ท่านผู้ทรงพลดภิกษุรูปนั้นกล่าวพระดำรัสนี้ช่างเป็นพระพุทธภาสิทธิ์ที่กระตุนต้นเตือนเร่งเรา้าให้พุทธสาวกพอใจในวิเวกเสียนิก ร, รัยขอประทานโทษเถิดจากลักษณะอาการและคำกล่าวของท่านข้าพเจ้าพออนุมาณได้ว่าท่านคงจะมาสู่ธรรมวินัยนี้นานแล้วส่วนข้าพเจ้าเอง แม้จะมีอายุเหยียบย่างเข้าสู่วัยชรามาหลายปีแล้วก็ตามแต่ข้าพเจ้าเพิ่งจะอุปสมบทอุทิศพระผู้มีพระภาคเมื่อไม่นานมานี้เองคือเมื่อพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นปรินิพานแล้วข้าพเจ้าเพิ่งจะบวชได้ห้าพรรษาเท่านั้นอาวุโสพระอนนท์เปลี่ยนคำแทนชื่อของภิกษุรูปนั้น ขปเจ้าอุปสมบทในสมัยที่พระตถาคตยังทรงพระชนอยู่และได้เห็นได้เฝ้าพระองค์เสมอเสมอขพเจ้าถือเป็นลาบอันประเสริฐที่ได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคไม่ใช่แต่ขพเจ้าเท่านั้นใครๆก็ปรารถนาที่จะได้เข้าเฝ้าและสนทนาด้วยพระองค์เป็นผู้สูงสุดอย่างแท้จริง ภิกษุรูปนั้นแสดงอาการสนใจอย่างเห็นได้ชัดและมีในตาวาวด้วยปิติพร้อมด้วยกล่าวว่าท่านผู้ทรงพระรดขพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งปรารถนาเหลือเกินที่จะทราบพระพุทธเจริยาโดยละเอียดจากผู้ซึ่งเคยเข้าเฝ้าเคยฟังธรรมของพระาศาสดาทำอย่างไรขพเจ้าจึงจะได้บรรลุผลสาเร็จ แหงความปรารถนานั้นแต่ก่อนอื่นข้าพเจ้าปรารถนาใครขอทราบนามของท่านผู้โชคดีพอเป็นเครื่องประดับความรู้ไว้ก่อนส่วนข้าพเจ้าเองมีนามว่ากัมโพชะชื่อเดียวกับแขวนที่ข้าพเจ้าเกิดซึ่งอยู่ทางเหนือขึ้นไปท่านเองก็คงทราบว่าแควนกัมโพชะมีชื่อเสียงที่สุดเรื่องพันมาดี พระอานุนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งหาได้ตอบคำของพระกัมพชะทันทีไหมท่านกำลังตรึกตรองว่าควรจะบอกนามของท่านแก่ภิกษุรูปนี้หรือไม่หนอภิกษุรูปนี้มีความเลื่อมใสในพระศาสดาเป็นอย่างยิ่งกระหายใคร่ฟังพระพุทธจริยาและเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับพระองค์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 ข้อที่ท่านอยากทราบนามของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าบอกท่านได้แต่เพียงว่าเมื่อข้าพเจ้ายังครองคารวัตอยู่พระญยศวงเรียกข้าพเจ้าว่าเจ้าชายอนันทะและเมื่อข้าพเจ้าอุปสมบทแล้วเพื่อนพรหมจารีเรียกข้าพเจ้าว่าพระอานันทะพระศาสดาเรียกอานนน์อานน์อยู่เสมอเสมอ พอพระมหาเถระกล่าวจบลงพระกัมพชะมีอาการตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วอาการแห่งปิติซราบซานก็เข้ามาแทนที่ท่านลุกขึ้นนั่งกระโยคปรนน ม, มือกราบลงแทบบาดมูลของพระอา น, นุนซบศรีรษะอยู่นิ่งและนานเมื่อท่านเงยหน้าขึ้นอีกครั้งหนึ่ง พระพุทธอนุชาสังเกตเห็นน้ำตาเ อ, อ่เบ้าตาของภิกษุผู้อยู่ในวัยชารารูปนั้นนั่นเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งปิติปราโมทอันลหลั่งไหลจากความรู้สึกที่ลึกซึง้งและปรากฏออกมาท้งกระกายและแล้วพระกัมโพชะก็กล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้ไม่ลหลงไหลในบวงมาน เป็นลาบอันยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้าที่ได้มาพบท่านผู้ทรงคุณอันประเสริฐเหมือนองค์แทนแห่งพระตถาคตเจ้าข้าพเจ้าเดินทางมาหลายเมืองด้วยจุดประสงค์ที่จะได้พบและสนทนากับท่านข้าพเจ้าทราบว่าท่านเดินทางมาโกสัมีข้าพเจ้าก็ติดตามมาแต่ก็หาได้รู้จักท่านใหม่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 ก, กราบลงแทบบาทมูลของพระอานน์อีกครั้งหนึ่งช่างเถิดผู้มีอายุพระอานน์กราบเรื่องของข้าพเจ้าไม่มีความสําคัญเท่าเรื่องของพระาศาสดาอันหนึ่งท่านบวชอุทิตพระพุทธเจ้าแม้จะ น, นิพพานไปแล้วก็ตามแต่เรื่องของพระองค์ยังเป็นเครื่องเพิ่มภูณปิติปราโมท แกผู้สดับอยู่เสมอท่านได้ขอร้องให้ข้าพเจ้าเล่าเรื่องพุทธจาิยาบางตอนเพื่อเป็นเครื่องประดับความรู้และประคับประคองศรัทธาประสาทข้าพเจ้าจะขอเล่าให้ท่านฟังเป็นปฏิการแก่ความปรารถนาดีของท่านแล้วพระอนนท์ก็กล่าวสื่อไปว่า ดูก่อนพราดาณป่าประดูลายนี่เองสมัยหนึ่งพระตถาคตเจ้าประทับอยู่ณหมู่ภิกษุนับจำนวนร้อยพระองค์หยิบใบไม้มากำพระหัตหนึ่งแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าใบาไม้ในกำพระหัตของพระองค์กับใบไม้ในป่านี้ทั้งหมดไหนจะมากกว่ากันเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าใบาไม้ในป่า มีมากกว่าเหลือหลายใบไม้ในกำรรพระหัตมีน้อยนิดเดียวพระพุทธองค์จึงตรัสว่าฉันเดียวกันนั่นแหละภิกษุทั้งหลายธรรมที่เราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายนั้นเพียงเล็กน้อยเหมือนใบไม้ในกำ ม, มือของเราส่วนธรรมที่เรายังมิได้แสดงมีมากมายเหมือนใบไม้ในป่า ภิกษุทั้งหลายทำไมเราจึงไม่แสดงสิ่งที่เรารู้เราเข้าใจอีกมากมายแล้วภิกษุทั้งหลายเราจะถาคตสแสดงแต่ธรรมที่จำเป็นเพื่อระ ง, งับดับทุกข์เท่านั้นสิ่งนอกจากนี้รู้ไปก็ทำให้เสียเวลาเปล่าภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งมีภิกษุรูปหนึ่งเข้ามาหาเราและถามปัญหา1ิบข้อ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 เราไม่ยอมแก้ปัญหานั้นภิกษุทั้งหลายเรากล่าวกับพิกษุรูปนั้นว่าอย่าว่าแต่เธอจะละเพศพรหมจันท ร, ร์เลยแม้เธอจะตายไปต่อหน้าต่อตาเราเราก็หายอมแก้ปัญหาเห่านั้นของเธอไม่พิกษุทั้งหลายปัญหาที่เผชิญอยู่เบื้องหน้าของทุกๆคนคือปัญหาเรื่องทุกข์และความดับทุกข์ มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายถูกความทุกข์เสียบอยู่ทั้งทางกายและทางใจอุปมาเหมือนผู้ถูกยิงด้วยลูกศรซึ่งกำราบด้วยยาพิษแล้วญาติมิตรเห็นเข้าเกิดความกรุณาจึงพยายามจะช่วยกันถอนลูกศร น, นั้นแต่บรุษผู้โง่เขลาบอกว่าต้องไปสืบให้ได้เสียก่อนว่าใครเป็นคนยิงและยิงมาจากทิศไหน ลูกสอนทำด้วยไม้อะไรแล้วจึงจะค่อยมาถอนลูกสอนออกภิกษุทั้งหลายบรุษผู้นั้นจะต้องตายเสียก่อนเป็นแน่แท้ความจริงเมื่อถูกยิงแล้วหน้าที่ของเขาก็คือควรพยายามถอนลูกสอนออกเสียทันทีชำระแผลให้สะอาดแล้วใส่ยาและรักษาแผลให้สนิทหรืออีกอุปมานหนึ่ง เหมือนบุคคลที่ไฟไหม้อยู่บนศรีรษะควรรีบดับเสียโดยพลันไม่ควรเที่ยววิ่งหาคนผู้เอาไฟมาเผาศรีรษะตนทั้งทั้งที่ไฟรุบไม่อยู่ภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้โพรงอยู่ด้วยเพลิงทุกขนานาประการโหมให้ร้อนอยู่ทั่วสัตว์ทั้งหลายดิ้นทุรนทุรายอยู่ในกองทุกแห่งสังสารวัฏนี้ใครเล่า จะเป็นผู้ดับถ้าทุกคนไม่ช่วยกันดับทุกแห่งตนอุปมาเหมือนบุรุษสตรีผู้ร่วมกันอยู่ในบริเวณกว้างแห่งหนึ่งและต่างคนต่างถือดุ่นไฟใหญ่อันไฟรุกโพลงอยู่ทั่วแล้วต่างคนต่างก็วิ่งวนกันอยู่ในบริเวณนั้นและร้องกันว่าร้อนร้อนภิกษุทั้งหลายคราวนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งเป็นผู้ฉลาด ร้องบอกให้ทุกๆคนทิ้งดุนไฟในมือของตนเสียผู้ที่ยอมเชื่อทิ้งดุนไฟก็จะได้ประสบความเย็นส่วนผู้ไม่เชื่อก็ยังคงวิ่งถือดุนไฟพร้อมด้วยตะโกนว่าร้อนร้อนอยู่นั่นเอง ภิกษุทั้งหลายเราตถาคตได้ทิ้งดุลไฟแล้วและร้องบอกให้เธอทั้งหลายทิ้งเสียด้วยดุนไฟที่กล่าวนี้ถึงนี้คือกิเลสทั้งมวลอันเป็นสิ่งที่เผาล้นสัตว์ให้เร่าร้อนกบนกบวายภิกษุทั้งหลายอายตนะภายในหคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอายตนะภายนอกหกคือ รูปเสียงกลิ่นรสโพธพพะและธรรมารมเป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างภิกษุทั้งหลายเราจะถาคตไม่พิจารณาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโพธพพะใดๆที่จะครอบงำรึงรัดใจของบุุษได้มากเท่ารูปเสียงกลิ่นรส และโพธพะแห่งสตรีภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะใดๆที่สามารถครอบงำรัดรึงใจของสตรีได้มากเท่ารูปเสียงกลิ่นรสและโพธพะแห่งบุรุษภิกษุทั้งหลายการมคุณ น, นี้เรากล่าวว่าเป็นเหยื่อแห่งมาร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 รู้ก่อนกามเราได้เห็นต้นเขาของเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดำริคำหนึ่งถึงนั่นเองเราจักไม่ดำริถึงเจ้าอีกด้วยประการชนนี้กามเอยเจ้าจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้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 ดูก่อนอาคันตุกกะพระอนตน์กล่าวต่อไปณนะกรุงโกสัมพีนี่เองพระตถาคตเจ้าเคยประทับรอยพระบาทคือพระพุทธเจริยาอันประเสริฐไว้สำหรับให้คนภายหลังถือเป็นเยี่ยงอย่างดำเนินตามคือสมัยหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์เสด็จถึงโกสัมพีและสำราญพระอริยบทอยู่ณโคสิตาราม ตอนเช้าพระพุทธองค์จะเสด็จออกบินธบาตมีประชาชนผู้เลื่อมใสคอยดักถวายเป็นทิวแถวและก็มีกลุ่มชนอีกกลุ่มหนึ่งคอยตามด่าว่ากระทบกระแทกเสียสีอยู่ตลอดเวลาเมื่อพระองค์เสด็จกลับโคสิตารามก็ตามไปด่าถึงพระคันทุกุตีด้วยอกโกสวัตถุสิบประการเช่นเป็นลาเป็นโค เป็นโอทเป็นสัตว์นรกเป็นต้นเรื่องนี้บีเบื้องหลังคือสมัยหนึ่งก่อนหน้าที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นไม่นานนักพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จสู่แคว้นกรุรุณที่นั้นมีหมู่บ้านพราหมณ์อยู่แห่งหนึ่งพราหมณ์นายบ้านมีธิดาสาวทรงสริริโสภาคยิ่งนักนามว่ามาคันธยาความงามแห่งนางระบือไปทั่ว ชายหนุ่มผู้มั่งคัง่งต่างเดินทางโดยเกวียนบ้างโดยรถม้าบ้างมาสู่คันธยาคามนี้เพื่อทัศนามาคันธยานารีบางคนก็แต่งผู้ใหญ่มาสู่ขอแต่พรามผู้บิดายังมองไม่เห็นใครเหมาะสมแก่ทิดาของตนจึงยังไม่ยอมยกให้ใครมาคันธยาเป็นที่กล่าวขวัญถึงแห่งปวงชนชาวกวรุอย่างแพร่หลาย จนเมื่อธิดาของสกุลดเกิดใหม่ผู้เฒ่าผู้แก่มักจะให้พรว่าขอให้สวยเหมือนมาคันธยา รูก่อนอาคันตุกกะแต่ท่านต้องระลึกไว้อย่างหนึ่งว่าความงามกับอันตรายนั้นมักจะมาด้วยกันเสมอที่ใดมีความงามที่นั้นย่อมมีอันตรายแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ด้วยจะมากหรือน้อยแล้วแต่ขนาดแห่งความงามนั้นและมีอยู่บ่อยครั้งที่เป็นอันตรายไม่เพียงแต่ผู้เข้าไปเกี่ยวข้องเท่านั้นแต่แก่เจ้าของความงามนั่นเองอีกด้วย พระศาสดาเสด็จไปถึงบ้านมาคันธยะพรามณ์ในเช้าวันหนึ่งขณะที่เขาบูชาไฟอยู่ที่ประตูบ้านเมื่อได้ทัศนาเห็นพระศาสดาแล้วพราหมณ์ก็ตะลึงในความงามแห่งพระองค์ถึงแก่อุดทานออกมาว่าชายผู้นี้งามจริงหนอเขาเข้าไปหาพระตถาคตเจ้าแล้วกล่าวว่าสมณนะข้าพเจ้ามองหาชาย อันจะคู่ควรแก่บุตรีของข้าพเจ้ามาเป็นเวลานานแล้วแต่จะหาใครงามคู่ควรแก่บุตรีของข้าพเจ้าเสมอท่านได้ไหมขอท่านโปรดยืนอยู่ตรงนี้สักครู่หนึ่งแล้วข้าพเจ้าจะนําบุตรีมามอบให้ท่านพระศาสดาแสดงอาการดุษเนียภาพทรงเหยียบรอยพระบาทให้ปรากฏไว้ด้วยแรงอธิษฐานอันสําเร็จมาจาก พระบารมีแห่งปางบันแล้วเสด็จลีกไปประทับณใต้ต้นไม้เงาคลึ้มต้นหนึ่ง แจ้งขาวแก่พรามณีและให้ตกแต่งลูกสาวให้สวยงามเพื่อนำไปมอบให้ชายผู้หนึ่งอันตนเห็นว่าคู่ควรกันแล้วพากันออกจากเรือนเมื่อไม่เห็นพระตถาคตณที่เดิมพรามก็ประหลาดใจบังเอิญพรามณีได้เลือบเห็นรอยเท้าที่พระพุทธองค์ทรงเหยียบไว้จึงกล่าวกับพรามผู้สามีว่าอย่าติดตามมหาบุรุษผู้นี้เลย ผู้มีรอยเท้าอย่างนี้เป็นผู้สละแล้วซึ่งโลกิยารมทั้งปวงพราหม์เอยอยันบุคคลผู้เจ้าราคะนั้นมีเท้าเว้ากลางมากคนเจ้าโทสะหนักซนส่วนคนเจ้าโมหานั้นปลายเท้าจิกลงส่วนรอยเท้าของบุรุษผู้นี้เป็นผู้เพิกกิเลสได้แล้วอย่างแท้จริงพราหมณ์ต่อว่าภรรยา ว่าอวดรู้อวดดีทําตนเหมือนจระเข้นอนในตุ่มจึงพาบตรีและพัญญาเที่ยวตามหาพระาศาสดามาพบเข้าใต้ล่มไม้แห่งหนึ่งพราหมณ์ดีใจนักหนาแต่ได้ต่อว่าเป็นเชิงพอว่าสมณนะขพะเจ้าบอกให้ท่านยืนรอที่โ น, น้นแต่หายืนคอยไม่เหมือนไม่ยินดีจะรับบุตรีของขพเจ้าสมณนะ บุตรีของข้าพเจ้านี้งามเลิศกว่านารีใดๆทั้งปวงทีเดียวในถินนี้เป็นที่ปองหมายแห่งเศรษฐีก้าบ ด, ดีและแม้แต่พระราชาแต่ข้าพเจ้าหาพอใจใครเสมอด้วยท่านไม่บัดนี้ข้าพเจ้าได้นำนางผู้งามพร้อมมามอบนเะบื้องบาทของท่านแล้วขอได้โปรดรับไหวและคลองกันฉันสามีพัญญาเถิด พรามกล่าวจบแล้วสั่งให้บุตรีถวายบังคมพระศาสดาพระโรคนาฏ สากยบุตรยังคงประทับดุษเนีอยู่ครู่หนึ่งพระองค์ทรงรำพึงว่าพราหมณ์ผู้นี้มีความหวังดีต่อเราต้องการสงเคราะห์เราด้วยสิ่งอันเป็นที่รักที่หวงแหนที่สุดแห่งตนแต่สิ่งนี้มีความแก่ความเจ็บและความตายเป็นธรรมดาเราจักปฏิการพราหมณ์ผู้นี้ด้วยอมะตะธรรมอันหนึ่ง พรามและพราหมณีทั้งสองนี้มีอุปนิสัยแก่กล้าพอที่จะบรรลุธรรมของเราได้เป็นการมอบสภาพอันไม่แก่และไม่ตายแก่เขาดํมริดังนี้แล้วพระตถาคตเจ้าจึงเอื้อนพระโอษฐว่าพรามถ้าเราจะเล่าเรื่องบางเรื่องให้ท่านฟังท่านจะพอใจฟังหรือไม่เล่าเธอสมณะขบถเจ้าพร้อมอยู่แล้ว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 พระตถาคตเจ้าชายพระเนตรดูนางมาคันธยาหน่อยหนึ่งทรงรู้ถึงจิตใจอันปันป่วนของนางแล้วตรัสว่าพรามเมื่อเราอยู่ในวัยหนุ่มมีเกศายังดำสนิทถูกแวดล้อมด้วยสตรีล้วนแต่สครานตาเป็นที่ปรารถนาของบุรุษเพศผู้ยังตัดอะไรในบ่วงกรรมไม่ได้ แต่เราเบื่อนายในโลกียวิสัยจึงสละสมบัติบรมจักรและนางผู้จำเริญนตาออกสแสวงหาโมกธรรมแต่เดียวดายเที่ยวไปยังไม่มีอะไรปลอดโปรงเหมือนบุคคลที่เป็นหนี้แล้วพ้นจากหนี้เคยถูกคุมขังแล้วพ้นจากที่คุมขังเคยเป็นโรคแล้วหายจากโกรค หลังจากท่องเที่ยวอยู่เดียวดายและทำความเพียรอย่างเข้มงวดไม่มีใครจะทำได้ยิ่งกว่าอยู่เป็นเวลาหกปีเราก็ได้ประสบชัยชนะย่างใหญ่หลวงในชีวิตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสงบเยือกเย็นถึงที่สุดล่วงพ้นบ่วงแห่งมารทั้งปวงทั้งที่เป็นทิปและเป็นของมนุษย์ มารและทิดามารคือนางตันหานางราคาและนางอรารดีได้พยายามยุยยวนเราด้วยวิธีแปลกๆเพื่อให้เราตกอยู่ในอำนาจแต่เราก็หาสนใจใหญ่ดีไม่ในที่สุดพวกนางก็ถอยหนีไปเองเราชนะมารอย่างเด็ดขาดตนมีนามกล้องโลกว่าผู้พิชิตมาร พระตถาคตหยุดอยู่ครู่หนึ่งทรงกวาดสายพระเนตรดูทุกใบหน้าในที่สุดพระองค์ตรัสว่าพราหม์เมื่อได้เห็นนางตันหานางราคาและนางอรดีซึ่งทรงความงามเหนือสามโลกเราก็หาพอใจแต่น้อยไม่ก็ทำไมเล่าเราจะพอใจในสรีระแห่งทิดาของท่าน ซึ่งเต็มไปด้วยมูดและ ก, กรีสพรามเออย่ยาว่าแต่จะให้แตะต้องด้วยมือเลยเราไม่ปรารถนาจะแตะต้องธิดาของท่านแม้ด้วยเท้า